วิสัชนาปัญหาข้อที่ห้าที่หกในปัญหาสองข้อที่ว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองของสมาธิและอะไรเป็นความผ่องแผ้วของสมาธินี้พระผู้มีพระภาคทรงวิสัชนาไว้ในยานวิพังแห่งคำพีวิพังขปกอบแล้วนั่นเทียวเป็นความจริงทีเดียวในยานวิพังนั้นท่านแสดงไว้ว่า ธรรมะอันเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมชื่อว่าสังกิเลสคือความเศร้าหมองธรรมะอันเป็นไปในส่วนแห่งคุณนวิเศษชื่อว่าโวธานะคือความพองแผ้วในธรรมะสองอย่างนั้นธรรมะอันเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมนักศึกษาพึงทราบโดยนัยะดังนี้ว่า บุคคลผู้ได้สำเร็จปฐมฌานความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยความมุ่งมั่นในการมาคุณย่อมรบเร้าได้อยู่ปัญญาก็มีส่วนแห่งความเสื่อมอธิบายว่าโยคีบุคคลผู้ได้สำเร็จปฐมฌานอันไม่คล่องแคล่วเมื่อออกจากปฐมฌานนั้นแล้วความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายซึ่งเป็นสภาวะที่ประกอบด้วยความมั่นหมายในการมคุณ ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ย่อมรบเรา้าคือกระตุ้นเตือนได้อยู่ปัญญาในปฐมฌานของโยคีบุคคล น, นั้นก็เสื่อมไปด้วยอำนาจความไฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายที่มุ่งดิ่งไปหากามาคุณเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีส่วนแห่งความเสื่อมธรรมะอันเป็นไปในส่วนแห่งคุณนะวิเศษ นักศึกษาพึงทราบโดยในยะดังนี้ว่าความฝ่ายใจในสัญญาทั้งหลายอันประกอบด้วยฌานที่ไม่มีวิตกย่อมเร่งเรา้าปัญญาก็มีส่วนแห่งคุณในวิเศษอธิบายว่าเมื่อโยคีผู้ฌาญลาภีบุคคล น, นั้นฝ่ายใจถึงทุติยฌ า, านอันไม่มีวิตกอยู่ความฝ่ายใจในสัญญาทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยฌานอันไม่มีวิตก ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ยอมเร่งเราคือกระตุ้นเตือนซึ่งโยคีบุคคล น, นั้นผู้ออกจากปฐมฌานอันคล่องแคล่วแล้วทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะบรรลุซึ่งทุติยฌานต่อไปปัญญาในปฐมฌานของโยคีบุคคล น, นั้นด้วยอำนาจความฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายที่มุ่งหน้าสู่ทุติยฌานชื่อว่าเป็นปัญญามีส่วนแห่งคุณในวิเศษ เพราะเป็นประทัยฐานแห่งการบังเกิดขึ้นของทุติยชาตอันนับว่าเป็นคุณวิเศษแต่อย่างไรก็ดีณนะที่นี้ประสงค์เอาสมาธิซึ่งประกอบด้วยปัญญานั้นส่วนหาณาากิยธรรมธรรมะอันเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมและวิเศษสภาพิยธรรมธรรมะอันเป็นไปในส่วนแห่งคุณในวิเศษ ในทุติยาชาญเป็นต้นนักศึกษาผึ่งทราบโดยวิธีที่กล่าวไว้แล้วในปฐมฌานนี้วิสัชนาปัญหาข้อที่เจ็ดคำวิสัชนาปัญหาข้อนี้มีความยืดยาวมากเพราะเป็นการแสดงถึงสมาธิภาวนาวิธีในกา ร, รมฐานทั้งสี่สิบประการไปจบลง ในปริเฉดที่สิบเอ็ดคือสมาธินิเทศและคำวิสัชนาปัญหาข้อสุดท้ายคือข้อที่แปดก็ อ, อยู่ตอนท้ายสมาธินิเทศนั้นเหมือนกันก็แลในปัญหาข้อที่ว่าสมาธินั้นจะพึงเจริญภาวนาอย่างไรนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ สมาธิอันประกอบด้วยอริยามรรคนี้ใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ในคำมีอาธิว่าสมาธิมีสองอย่างโดยแยกเป็นโลกิยสมาธิและโลกุตระสมาธิชนนี้ในยะแห่งการภาวนาซึ่งสมาธิอันประกอบด้วยอริยามรรคนั้นท่านสงเคราะห์เข้าไว้กับในยะแห่งปัญญาภาวนาแล้วนั่นเทียวเพราะว่า เมื่อปัญญาอันโยคีบุคคลภาวนาให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอันได้ภาวนาให้สมาธินั้นเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอริยามรรคสมาธินั้นข้าพเจ้าจะไม่ยกเอามาอธิบายไว้แผนหนึ่งต่างหากจากปัญญาภาวนาแต่ประการใดว่าอริยามรรคสมาธินั้นพึงเจริญภาวนาอย่างนี้อย่างนี้ วิธีภาวนาสมาธิโดยสังเขปส่วนสมาธิที่เป็นโลกิยะนิใดสมาธินั้นข้าพเจ้าจะยกมาอธิบายด้วยภาวนาวิธีต่อไปดังนี้โยคีบุคคลชำระศีลทั้งหลายให้บริสุทธิ์ตามในยะที่ได้แสดงมาในศีลนิเทศนั้นแล้วพึงตั้งตนไว้ในศีลอันบริสุทธิ์ดีแล้วนั้น บรรดาปริโพชเครื่องกังวลสิบประการอย่างใดมีอยู่แก่ตนก็จงตัดปริโพธเครื่องกังวลอย่างนั้นเสียให้สิ้นห่วงแล้วพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้ให้พระกรรมฐานเรียนเอาพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาพระกรรมฐานส0สิประการอันเหมาะสมแก่จริต จ, จริยาของตนแล้วพึงออกจากวัดที่ไม่สมควรแก่การที่จะภาวนาสมาธิ ไปอยู่ในวัดที่สมควรครั้นแล้วพึงทําการตัดเครื่องกังวลเล็กๆ น, น้อยๆเช่นตัดเล็บโกนหนวดเป็นต้นให้สิ้นเสร็จเรียบร้อยแต่นั้นพึงลงมือภาวนาสมาธินั้นโดยไม่ทําวิธีภาวนาทุกๆอย่างให้ขาดตกบวกพร่องไปนี้เป็นวิธีภาวนาอย่างสังเขปในสมาธิภาวนานี้ วิธีภาวนาสมาธิโดยพิสดารส่วนวิธีภาวนาอย่างพิสดารมีอถาธิบายตามลำดับมีดังต่อไปนี้ปริโพธสิบอย่างคําใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้โดยสังเขตว่าบรรดาปริโพธเครื่องกังวลสิบประการอย่างใดมีอยู่แก่ตนก็จงตัดปริโพธเครื่องกังวลอย่างนั้นเสียให้สิ้นห่วง ดังนี้ในคำนั้นมีอธาธิบายโดยพิสดารดังนี้อาวาโสจะกุลังลาโภขโนกรร ม, มันจะปัญจมังอัฏฐานญาติอาพาโทคันโทอิทธิติเตทสะปรลิโพธเครื่องทำให้เกิดความกังวล น, นั้นมีอยู่สิบประการคืออาวาตปริโพธ เครื่องกังวลคือที่อยู่กุละปาริโพธเครื่องกังวลคือตระกูลลาภะปาริโพธเครื่องกังวลคือลาภสก arga คณะปาริโพธเครื่องกังวลคือหมู่คณะกรรมะปาริโพธเครื่องกังวลคือนวกรรมอัธานะปาริโพธเครื่องกังวลคือการเดินทาง ญาติปริพโธดเครื่องกังวลคือญาติอาพาธปริพโธดเครื่องกังวลคือโรคภัยไข้เจ็บคันทะปริพโธดเครื่องกังวลคือการเล่าเรียนอิทธิปริพโธดเครื่องกังวลคือการแสดงอิทธิฤทธิในปริพโธดสิประการนั้นมีอาาธิบายตามลำดับดังนี้ ที่อยู่นั่นเองชื่อว่าอาวาสปริโพน์ได้แก่เครื่องกังวลคือที่อยู่แม้ในปริโภพธ์อื่นๆมีกุละปริโพน์เป็นต้นก็มีความหมายทํานองเดียวกันนี้หอธิบายอาวาสปริโพน์ห้องเล็กๆแม้เพียงห้องเดียวบริเวณแม้เพียงแห่งเดียวหรือแม้ทั่วทั้งสังขารามเรียกว่าที่อยู่ ที่อยู่นินั้นหาได้เป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุไปเสียหมดทุกรูปไม่หากแต่ภิกษุใดกําลังขวนขวายอยู่ในการก่อสร้างเป็นต้นในวัดนั้นหรือเป็นผู้สะสมสิ่งของไว้มากในวัดนั้นหรือเป็นผู้มีความห่วงใยมีจิตผูกพันอยู่ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในวัดนั้นที่อยู่ย่อมเป็นเครื่องกังวลเฉพาะแก่ภิกษุนั้นหาเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุอื่นนอกนี้ก็หาไม่ ในประการที่ที่อยู่ไม่เป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุนี้นั้นมีเรื่องตัวอย่างดังต่อไปนี้เรื่องภิกษุสองรูปได้ยินว่ามีกุลบุตรอยู่สองคนได้พากันออกจากเมืองอนุราทาปุระไปโดยลำดับแล้วพากันไปบวชอยู่ณวัตถูป่ารามในภิกษุสองรูปนั้น รูปหนึ่งท่องมาติกาทั้งสองได้อย่างคล่องแคล่วรั้พนพรรษาครบห้าปวารณาออกพรรษาแล้วไปอยู่ณวัดป่าชื่อป่าจีนนัขันธราชีอยู่ที่ราบป่าระหว่างหุบเขาด้านทิศตะวันออกอีกรูปหนึ่งอยู่ที่วัดถูป่ารามนั่นเองภิกษุรูปที่อยู่วัดป่าป่าจีนนัขันธราชีนั้นอยู่ณที่นั้นน า, นานจนเป็นพระเทระ จึงคิดขึ้นมาได้ว่าสถานที่นี้เหมาะสําหรับที่จะหลีกเร้นอยู่ถ้าเก่าไรเราจะบอกสถานที่นี้แก่พระสหายด้วยเธอได้ออกจากวัดปาจินนักันเทาราชีนั้นได้ไปถึงวัดถูปารามโดยลำดับส่วนพระเทระผู้บวดร่วมพรรษากันกรันได้เห็นพระเทระอคันตุกะ ก, กำลังเดินเข้ามาจึงรีบลุกขึ้นไปทาการปฏิสันถาน ช่วยรับบาและจีวรทำอาคันตุกะวัดด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีพระเทระผู้อาคันตุกระรันเข้าไปพักอยู่ในเสนาสนะแล้วจึงคิดในใจว่าบัดนี้พระสหายของเราคงจักส่งเนยใสน้ำอ้อยหรือเครื่องดื่มมาให้เป็นแน่เพราะเขาอยู่ในเมืองนี้มานานแล้วเมื่อพระอาคันตุกะเทระไม่ได้อะไรในตอนกลางคืนตามที่คิด ตกมาถึงตอนเช้าจึงคิดอีกว่าบัดนี้พระสหายของเราคงจกส่งข้าวต้มและของเคี้ยวที่ได้รับจากอุปถาทั้งหลายมาให้แต่แล้วก็ไม่ได้เห็นสิ่งของนั้นจึงคิดว่าเช้ารอยจะไม่มีคนมาส่งเขาคงจักถวายแก่ภิกษุผู้เข้าไปรับเองกระมังจึงได้เข้าไปในบ้านพร้อมกับพระสหายนั้นแต่เช้าเที่ยวพระเทระทั้งสองนั้น พากันไปบินธบาศ ท, ที่ถนนสายหนึ่งได้ข้าวต้มประมาณหนึ่งกระบวยแล้วพากันไปนั่งดื่มข้าวต้มอยู่ที่โรงฉันขณะนั้นพระอคคันตุ ก, กะเทระคิดว่าจะรอยข้าวต้มที่เขาถวายประจําจะไม่มีบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายคงจะถวายข้าวสวยอย่างประณีตในเวลาอาหารแต่แล้วก็ผิดหวังแม้ในเวลาอาหาร ระอาคารตุกะเทระก็ฉันอาหารที่ไปบินทบาทได้มาเท่านั้นจึงถามพระเทระผู้สหายว่าสหายคุณเลี้ยงชีวิตมาตลอดการด้วยท่านองนี่หรือพระเทระเจ้าถิ่นตอบว่าใช่แล้วสหายพระอาคารตุกะเทระจึงพูดชักชวนว่าสหายวัดป่าปาจินกคันธราชีผาสุขสบายมาก เรามาไปกันที่โน้นเถอะพระเทระเจ้าถิ่นออกจากเมืองทางประตูด้านทักษิณตรงไปตามทางที่จะไปยังบ้านในช่างหมอฝ่ายพระอคันตุ ก, กะเทระจึงถามว่าสหายคุณไปทางนี้ทําไมพระเทระเจ้าถิ่นตอบว่าก็คุณได้กล่าวสรรเสริญวัดป่าปาจินะคันธราชีนักมิใช่หรือพระอคันตุ ก, กะเทระย้อนถามว่า จริงล่ะสหายแต่ว่าบริขารที่เหลือเฟือของคุณในที่ที่คุณอยู่มานานถึงเพียงนี้ไม่มีอะไรบ้างรหรือพระเทระเจ้าถิ่นตอบว่ามีสิคุณคือเตียงต่างอันเป็นสมบัติของสงฆ์แต่ของนั้นผมก็ได้เก็บงามเรียบร้อยแล้วสิ่งอื่นไม่มีอะไรพระอคันตุ ก, กะเทระพูดว่าสหายไม้เท้าธนาน้ามัน รองเท้าและถุงย่ามของผมยังอยู่ที่วัดโนนพระเทระเจ้าถิ่นถามขึ้นอย่างแปลกใจว่าเออคุณมาอยู่เพียงวันเดียวยังเก็บสิ่งของไว้ได้ถึงเท่านี้หรือส่วนพระอาคันตุ ก, กะเทระตอบตามตรงว่าใช่แล้วคุณดังนี้แล้วเกิดมีจิตเลื่อมใสในพระเทระเจ้าถิ่นมากจึงไหว้พระเทระพลางกล่าวสรรเสริญว่าสหาย พระอย่างคุณเนี่ยย่อมมีที่อยู่เหมือนกับวัดป่าในที่ทั่วไปวัตถุปารามเป็นสถานที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์คุณย่อมได้การฟังธรรมอันเป็นที่สับ ป, ปายะที่โลหะประสาทได้เห็นพระมหาเจดีย์และได้เห็นพระเทระการนี้ย่อมเป็นไปอยู่เหมือนกับสมัยพุทธกาลขอให้คุณจงอยู่ณที่วัตถุปารามนี้แหละ ครั้นแล้วพอถึงวันที่สองพระอคันตุ ก, กะเทระถือเอาบาตรและจีวรกลับไปยังวัดป่าป่าจินนคันธราชีแต่ลำพังตนผู้เดียวชนนี้ที่อยู่ย่อมไม่เป็นเครื่องกังวลสำหรับภิกษุผู้มีจิตไม่ติดข้องเช่นนี้เหมือนอย่างพระเทระนี้ด้วยประการชนนี้สอง อธิบายกุละปาลิโพธคำว่าตรากูลหมายเอาตรากูลญาติหรือตรากูลอุปถาค ก, ก็แลแม้ตรากูลอุปถากย่อมเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุบางรูปซึ่งชอบอยู่อย่างคลุกคลีโดยในยะมีอาทิว่าเมื่อตรากูลอุปถากมีความสุขภิกษุก็พลอยมีความสุขด้วย ภิกษุผู้ชอบอยู่อย่างคลุกคลีนั้นเมื่อเว้นจากญาติโยมในตระกูลแล้วแม้เพียงวัดใกล้ๆก็ไม่ยอมไปฟังธรรมแต่ภิกษุบางรูปแม้มารดาบิดาก็ไม่เป็นเครื่องกังวลตัวอย่างเช่นภิกษุหนุ่มหลานของพระเทระผู้อยู่ที่วัดโกรันทกาวิหารเรื่องภิกษุหนุ่มได้ยินว่า ภิกษุหนุ่มรูปนั้นได้ไปยังโรหณะชนบทเพื่อประสงค์จะเรียนพระบาลีฝ่ายอุบาสิ ก, กาผู้เป็นพี่สาวของพระเทระซึ่งเป็นมารดาของเธอมาเรียนถามพระเทระถึงความเป็นไปของเธออยู่เสมอนับแต่เวลาที่เธอได้จากไปพระเทระจึงคิดอยู่ว่าจะไปพาเอาภิกษุหนุ่มมาสักวันหนึ่งแล้วก็ได้มุ่งหน้าไปสู่โรหณะชนบทฝ่ายภิกษุหนุ่ม ก็บังเอิญคิดขึ้นว่าเราอยู่ณที่นี้มานานแล้วบัดนี้เราจะไปกราบเยี่ยมพระอุปัชาและทราบข่าวคราวของโยมอุบาสิกาแล้วจึงจะกลับมาแล้วก็ออกเดินทางจากโรหณ n ชนบทพอดีพระเทระหลวงลุงกับพระหนุ่มหลานชายทั้งสองได้มาพบกันเข้าตรงที่ฝั่งแม่น้ำพระหนุ่มหลานชายได้ทำอุปชา ย, ยาวัดแก่พระเทระหลวงลุง นักโนไม้แห่งใดแห่งหนึ่งพระเทระถามว่าคุณจะไปไหนเธอจึงกราบเรียนความประสงค์ถวายพระเทระให้ทราบทุกประการพระเทระพูดกับพระหลานชายว่าคุณทมถูกแล้วแม่อุบาสิกายมงของคุณก็ถามถึงคุณอยู่เสมอเสมอแม่ชันเองก็มาเพื่อประสงค์เช่นนี้เหมือนกันนิมนต์คุณไปเถอะส่วนฉัน ภรรษานี้จะจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในตำบล น, นี้แล้วก็อนุญาตให้ภิกษุหนุ่มนั้นไปภิกษุหนุ่มได้ไปถึงวัดโกรันทกะวิหารในวันเข้าพรรษาพอดีและบังเอิญเสนาสนะที่โยมบิดาให้สร้างขึ้นไว้นั่นแหลถึงแก่เธอแล้วถัดมาในวันที่สองโยมบิดาและภิกษุหนุ่มนั้นได้มาถามสงฆ์ว่าท่านครับ เสนาสนะของพวกกระผมได้แก่ภิกษุอะไรครั้นทราบว่าได้แก่ภิกษุหนุ่มผู้อักันตุกะจึงเข้าไปพบภิกษุนั้นน้ำมการแล้วเรียนปฏิบัติว่าคุณครับสําหรับภิกษุผู้ที่อยู่จำพรรษาในเสนาสนะของพวกกระผมย่อมมีธรรมเนียมที่จะต้องปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งภิกษุหนุ่มถามว่าธรรมเนียมที่จะต้องปฏิบัตินั้นอย่างไรละอุบาสก โยมบิดาเรียนว่าภิกษุที่อยู่จำพรรษาในเสนาสนะของพวกกระผมนั้นต้องไปรับบิณฑบาต ท, ที่เรือนของพวกกระผมนั่นเทียวตลอดไรรมาสสามเดือนและเมื่อออกปวารณาออกพรรษาแล้วเวลาจะไปต้องบอกลาภิกษุหนุ่มรับปฏิบัติตามด้วยอาการที่นิ่งเฉยฝ่ายอุบาสกกลับไปถึงเรือนแล้วได้แนะนําแก่ภริยาว่า พระผู้เป็นเจ้าอาคารตุ ก, กะรูปหนึ่งได้เข้าจำพรรษาอยู่ในเสนาสนะของเราเราจะต้องอุปถากพระผู้เป็นเจ้าด้วยความเคารพอุบาสิการับคำว่าสาธุแล้วก็ได้รับหน้าที่ทำของควรเคี้ยวของคนบริโภคล้วนแต่อย่างปราณีตแม้ภิกษุหนุ่มก็ได้ไปชันที่เรือนของโยมในเวลาพัตตาหารแต่ไม่มีใครจาเธอได้เลย ภิกษุหนุ่มได้ไปฉันบินทบาทที่เรือนของโยมนั้นครบไตรมาสตามสัญญาครั้นออกพรรษาแล้วจึงบอกลาว่าอัตมาจะลาไปละอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายขณะนั้นหมู่ญาติของเธอได้ขอร้องว่าท่านครับพรุ่งนี้จึงค่อยไปเถอะในวันที่สองไดน้นิมนต์เธอให้ฉันนาที่เรือนนั่นเที่ยวครั้นแล้วได้บรรจุน้ามันใส่ให้เต็มขวด ถวายน้ำอ้อยงบหนึ่งและถวายผ้ายาวเก้าคืบเสร็จแล้วจึงเรียนว่าดิมนต์พระผู้เป็นเจ้าไปเถิดขอรับภิกษุหนุ่มทำการอนุโมทนาทานแล้วก็ได้มุ่งหน้าไปสู่โรหณะชนบทต่อไปฝ่ายพระอุปชาของเธอปา ร, รณาออกพรรษาแล้วก็ได้เดินสวนทางมาบังเอิญได้พบกับพระภิกษุหนุ่มนั้น นาทีที่ได้พบกันครั้งก่อนนั้นพอดีภิกษุหนุ่มได้ทาอุปชาัยยาววัดแด่พระเทระหน้าที่โคนไม้แห่งใดแห่งหนึ่งท่านใดนั้นพระเทระได้ถามเธอว่าพนอน้างามคุณได้พบโยมอุบาสิกาแล้วหรือภิกษุหนุ่มกราบเรียนว่าเขารับกระผมได้พบแล้วครั้นได้กราบเรียนความเป็นไปถวายพระเทระให้ทราบทุกประการแล้ว ไดเอาน้ำมันนั้นมาทาเท้าถวายพระเทระทำน้ำปานะด้วยน้ำอ้อยงบถวายแล้วถวายผ้าสาตกะผืนนั้นแก่พระเทระแล้วเรียนว่าท่านขอรับโร h ณ n ชนบทเท่านั้นเป็นที่สัปปายะสำหรับกระผมฉ น, นี้แล้วจึงได้กราบลาไปฝ่ายพระเทระครั้นมาถึงวัดโกรันทกะวิหารแล้ว ในวันที่สองก็ได้เข้าไปบิณฑบาต ท, ที่บ้านโกรันทกะฝ่ายอุบาสิกาได้ยืนคอยดูทางอยู่เสมอด้วยคิดว่าพระเถระน้องชายของเราคงจะพาบุตรของเรามาเดี๋ยวนี้ครั้นได้เห็นพระเถระมาแต่รูปเดียวเท่านั้นก็สําคัญไปว่าบุตรของเราเช่ารอจะถึงแก่มรณภาพเสียแล้วพระเถระนี้จึงได้มาแต่ลาพังรูปเดียวและจึงได้ร้องไห้ราพันต่างๆ ล้มฟุบลงที่แทบเท้าของพระเทระพระเทระรู้ทันว่าพระหนุ่มไม่ยอมแสดงตนให้ใครๆทราบแล้วหลบไปเสียเพราะเป็นผู้มีความมักน้อยแน่นอนจึงปลอบโยนอุบาสิกาพี่สาวให้เบาใจแล้วเล่าเรื่องความเป็นไปให้ทราบหมดทุกอย่างพลางล้วงเอาผ้าสัตกะพื้นที่ภิกษุหนุ่มถวายนั้นออกจากถลกบาดแสดงให้ดูเป็นพยาน อุบาสิกาเกิดความเลื่อมใสในบุตรผินหน้าไปทางทิศที่บุตรอยู่แล้วนอนพังภาพลงนำมสการพลางกล่าวสรรเสริญว่าพระผู้มีพระภาคเจรอยจะทรงทมภิกษุผู้มีปฏิปทาเหมือนบุตรของเรานี่เองให้เป็นพยานทางกายแล้วจึงได้ทรงแสดงปฏิปทาในรัฐวินีตาสูตรปฏิปทาในนาลกะสูตรปฏิปทาในตุวัตกสูตรและมหาอริยวังศะปฏิปทา อันประกาศถึงความสันโดษในปัจจัยสี่และความเป็นผู้ยินดีในการเจริญภาวนาบุตรของเราแม้มาฉันในเรือนของมารดาผู้บังเกิดเกล้าแท้ๆถึงสามเดือนไม่ปริปากพูดเลยว่าอัตมาเป็นบุตรท่านเป็นมารดาบุตรของเราเป็นมนุษย์น่าอัศจรรย์จริงๆฉันนี้ภิกษุผู้มีปฏิปทาเห็นปานฉันนี้ ไม่ต้องกล่าวถึงตระกูลอุปถาคอื่นหลักที่จะมาเป็นเครื่องกังวลแม้แต่มารดาบิดาก็ไม่ต้องเป็นเครื่องกังวลเสียแล้วด้วยประการชนนี้